จะพ้นทุกสัทีนะนี่เป็นอย่างนั้นนะหรือเอาง่ายๆในความเป็นมนุษย์ยังมีสัตว์โลกที่ยังต้องร้องไห้กันอยู่มากมายอาก็เราเอาดูข่าวทีวีหรือว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วโลกนี้ยังมีสัตว์ที่ยังถอนลูกสอนไม่ได้และกําลังตายกําลังเกิดกันอยู่อีกมากมายนะจะเอาเรื่องอะไรมา พิจารณาก็ได้ถ้าเรามองโดยไ n ย a k อย่างนี้แล้วสัตว์โลกเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็ไม่รู้เขาเขากำลังทําอะไรอยู่เขาจะเป็นอะไรจะได้รับผลอะไรจะไปไหนไม่รู้ทุกคนคิดแต่เรื่องที่ความโลภมันสั่งมันสอนวเออเราจะเอาเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้แม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังคิดไปว่าเราเออเราต้องมีชีวิตอยู่แล้วพรุ่งนี้เราจะทําอะไรอะไรต่างๆ อาจจะต้องไปทำงานจะต้องไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรก็คิดไปแต่เราไม่เคยคิดว่าภัยของชีวิตเรายังมีอยู่อีกมากเพราะเรายังประมาทอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ามาสอนว่าคนมีปัญญาจึงจะมองเห็นภัยหรือมองเห็นคนผ่านมองเห็นความประมาทประมาทเนี่ยพูดง่ายๆว่าตายใจลืมทุกข์ เห็นทัสุกลืมความจริงนะเห็นแต่ของไม่จริงเป็นคนวิปลาสไปเห็นผิดไปอย่างเนี้ยก็ต้องอาศัยบัณฑิตเท่านั้นนะ่ะจึงจะจึงจะรู้จึงจะรู้ได้คนมีปัญญาปัญญาเนะี่ยมันมันเป็นธรรมชาติสำคัญทีเดียวที่ทำให้รู้ความจริงได้ว่าอะไรมันเป็นอยู่แล้วสิ่งนั้นมันมาจากเหตุอะไร นะอย่างเช่นที่ท่านกล่าวถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์โลกว่าตายทั่วไปหมดเนะ่ยดินน้ำที่ไหนก็มีแล้วก็เศร้าโศกเสียใจกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านคันพิจารณาเห็นเหตุของสิ่งนั้นได้ว่าคือลูกสอนได้แก่กิเลสต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของพระมหากัสปะนะซึ่งพุทธ เ, เจ้าบอกว่ามีธรรมเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์แต่อันนี้ไม่เสมอนะที่มกที่จากสูตรนี่ไม่เท่า อย่างอื่นอาจจะเท่าเช่นเข้าผลลสมาบัติหรือว่าเข้าฌานอย่างอื่นหรือเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังสารเสริญพระมหากัสปะว่าเป็นผู้ปฏิบัติมักน้อยสันโดษมักน้อยนี่คือปกปิดคุณความดีของตนที่มีอยู่ตามความเป็นจริงไม่ให้ใครเรู้แต่สมัยนี้คุณธรรมอย่างนี้เนี่ย เขาตำหนิตดเตียนกันนะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความดีแล้วเราต้องประกาศให้เขารู้และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในสังคมเราบอกว่าถ้าคุณจะเข้ามาเป็นนักการเมืองบริหารประเทศคุณต้องประกาศให้รู้ให้หมดว่าคุณมีสตังค์เท่าไหร่มีสมบัติเท่าไหร่อันนี้เพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจของคุณว่าคุณไม่ได้หวังมาคดโกง แล้วก็ต้องพยายามประกาศเกียรติคุณความดีของเราเองว่าเรามีความดีอย่างไรแต่ความดีที่ชาวโลกเขาประกาศกันนะนะั่นดูๆไปแล้วมันเป็นความโลภนะนะความดีความดูความดีที่เขาว่ า, วาดีมันกลายเป็นความโลภฉันสามารถหาปัจจัยสี่หาเกียรติหายศได้มากก็เป็นคนดีไปอันนั้นไม่ใช่ วความดีจริงๆของคนเนี่ยมันอยู่ที่กุศลกรรมบทสิบเอาไว้แค่นี้ก่อนคุณมีจริงหรือเปล่าวัจจีสุดจริตนะคุณมีกันจริงหรือเปล่าคุณพูดออกมาแต่ละคําเนี่ยมันโกหกกี่คํามันจริงกี่คําคุณมีจริงหรือเปล่าคุณพูดเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันของเพลเจอร์หรือเปล่าวาจาเพลเจอร์หรือเปล่าแล้วใจของคุณนะ่ะมันมีความเห็นถูกอยู่หรือเปล่า มีกิเลสอยู่หรือเปล่าที่คุณพูดออกมาเพราะฉะนั้นให้เครื่องที่จะตัดสินความดีของคนเนี่ยมันต้องกรรมของเขาอะโดยเฉพาะจิตใจของเขาและเขาต้องตัดสินตัวเขาเองด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ทํากรรมเองเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขาทํากรรมอะไรแล้วเขาไม่รู้เขาก็เป็นคนบาปฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเพื่อมรักน้อยเนี่ยจะมีน้อยหายากปฏิบัติแล้วเรามีคุณธรรมความดีวิเศษยังไงไม่บอกคนอื่น อายที่จะบอกคนอื่นเป็นของหายากอย่างเช่นพระมาหาการเนี่ยท่านไปอยู่ป่าช้าเนี่ยหกสิบปีเนี่ยไม่มีใครรู้เลยสี่ทุ่มท่านไปล้วไปอยู่ปา่าช้ารู้กันก็เพียงแต่คนเฝ้าปา่าช้าท่านก็บอกอย่าไปบอกใครนะไม่ต้องบอกว่าฉันมาพอประมาณตีสามหรือตีสี่ก็กลับวัดไม่มีใครรู้หรอก ว่าท่านไปเป็นผู้ประพฤติธุดงอยู่ปา่าช้าปฏิบัติอยู่ในปา่าช้าไม่ไม่มีใครรู้หรือองค์อื่นๆอีกมากมาย ท, ที่ท่านปฏิบัติโดยท่านท่านไม่มาบอกมาบอกว่าท่านปฏิบัติก็ไม่มีใครรู้คุณธรรมบริบูรณ์สิบแปประการที่ว่ามีอยู่ในใ น, ในใจท่านเองท่านไม่บอกใครแต่นี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพราะพระุทธเจ้ารู้ว่าท่านเนี่ยมักน้อยสันโดษแล้วตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย ให้ถือเอาเป็นตัวอย่างว่าภิกษุทั้งหลายกัสปะผู้นี้เป็นผู้สันโดษยินดีด้วยจีวรบินทบาทเซนาสนะเพสัตตามีตามได้ไม่มักมากถ้าได้มาเท่าไหร่ก็เอาอย่างนั้นยารักษาโรคยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็ใช้ได้ก็ใช้ไปไม่มักมากคือมีนี่แล้วอยากได้นั่นอะไรอย่างนี้ไม่เอา และนอกจากนี้แล้วพระมหาการสมายังกล่าวสรรเสริญคุณของความสันโดษด้วยปัจจัยสี่นั้นสรรเสริญว่าถ้าเราสันโดษแล้วเราจะมีความสุขไม่สันโดษแล้วจะมีทุกข์นะเธอไม่ถึงความสแสวงหาโดยไม่สมควรในปัจจัยสี่นั้นคือไม่มีการโคดโกงหลอกลวงเพื่อจะได้มาไม่ไม่ทา แหวงหาไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งตกใจเพราะไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเสียใจโอ้ยเราอยู่ลำบากแน่เลยวันนี้ไม่มีอาหารบินทบาทแล้ววันนี้อยู่โดยผ้าจีวรเก่าไปแล้วผมไม่พอกันหนาวได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องตกใจนะของเรามันไม่ได้นะร้อนหน่อยก็หาพัดลมบุนไปหมดแล้วเพราะกลัวว่าร่างกายนี้มันจะเจ็บป่วยอะไรอย่างเนี้ย แต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นถ้าสแสวงหาได้แล้วก็ไม่เป็นคนกําหนัดในปัจใจสี่นั้นบริโภคคือคือไม่ไม่ได้ไปดีใจว่าแหมวันนี้เราได้อาหารได้จีวรได้ยารักษาโรคที่ดีบ่อิโภคเรื่อความโลภความกําหนัดยินดีในปัจใจสี่นั้นไม่ใช่นะก็ไม่ทําอีกท่านทั้งหลายพึงศึกษาคือปฏิบัติตามอย่างนั้น ท่านทั้งหลายอันเราสั่งสอนแล้วพึงปฏิบัติเพื่อเป็นเช่นนั้นเถิดพูะเจ้าสอนเลยบอกให้ทำตามพระมหากัสปะพิกูุทั้งหลายกัสปะเข้าไปใกล้สกุลสกุลก็คือชาบ้านนะนะที่เขาอุปถากหรือที่เขามาเกี่ยวข้องด้วยก็ชักกายและใจหา่หางคือไม่ไปใกล้คิดสนิทสนมประพฤติตนเป็นคนใหม่ ไม่คุ้นเคยเป็นนิดไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาไม่ขนองใจในสกุลคือในชาวบ้านเป็นนิดจิตไม่ค่้องอยู่ในสกุลเหล่านั้นเพิกเฉยตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ใขรลาบก็จงได้ลาบผู้ไข่บุญก็จงได้บุญตนได้ลาบมีใจฉันใดผู้อื่นได้ลาบก็มีใจฉันนั้นภิกษุใดแสดงธรรมแก่ผู้อื่น ด้วยคิดว่าชะไหนหนอเขาจะพึงตั้งใจฟังธรรมของเราคั้นฟังแล้วก็จะพึงเลื่อมใสในธรรมเลื่อมใสแล้วก็จะพึงทาอาการของผู้เลื่อมใสในตัวภิกษุผู้แสดงธรรมธรรมเทศนาของภิกษุนั้นไม่บริสุทธิ์คือแสดงธรรมหวังเขาจะให้เขาเลื่อมใสเรา ว่าธรรมของเราเนี่ยดีโอ้ยท่านแสดงเก่งที่สุดในโลกเลยไม่มีใครเหนือท่านอีกแล้วไม่ใช่นะธรรมอันนั้นไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุใดแสดงธรรมแก่ผู้อื่นด้วยความคิดว่าธรรมอันพระศาสดากล่าวดีแล้วอันนี้สำคัญต้องคิดซะก่อนพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วนะพระธรรมของพระองค์ฉไหนหนอผู้ฟังจะพึงฟังธรรมนั้น ขั้นฟังแล้วก็จะพึงรู้ธรรมนั้นขั้นรู้แล้วก็จะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือเป็นไปตามอย่างที่ธรรมนั้นแสดงหรือบอกภิกษุนั้นอาศัยความที่ธรรมนั้นเป็นธรรมอันดีอย่างที่หนึ่งคือเห็นมีปัญญาเห็นยก่อนว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงกัน ด, ดีจริงๆบอยสุดจริงๆแล้วอันอีกสอคืออาศัยการุณาและเอนดูแสดงธรรมแก่ผู้อื่น อาศัยความกรุณาว่าเขาได้อาศัยธรรมะประพฤติแล้วเขาจะพ้นทุกข์ไปธรรมเทศนาธรรมเทศนาของภิกษุนั้นบริสุทธิ์แล้วกัจสปะก็เหมือนอย่างนั้นคือทําใจอย่างนั้นพระมหากัสจปะเวลาจะสอนใครก็ไม่หวังว่าเขาจะต้องมาเลื่อมใสอะไรเราขอให้เขาเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติตามธรรมพ้นทุกข์ไปเราสอนท่านทั้งหลายยกกัจสปะขึ้นเป็นตัวอย่าง ท่านทั้งหลายอันเราสอนแล้วจงปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปใกล้สกุลด้วยคิดว่าขอชาวบ้านน่ะขอเขาจงให้แกเราผู้เดียวเถิดอย่าให้แกผู้อื่นเลยจงให้แกเรามากอย่าให้แกเราน้อยจงให้แต่ของที่ดีอย่าให้แต่ของที่เลวจงให้โดยเร็วอย่าให้ช้าจงให้โดยเคารพ เมื่อคิดอย่างนั้นท่านเขาไม่ให้ก็ดีหรือเขาให้น้อยก็ดีไม่ให้ของมากก็ดีให้ของที่เลวไม่ให้ของดีก็ดีให้โดยช้าไม่ให้โดยเร็วก็ดีให้โดยไม่เคารพหรืออย่างให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพก็ดีพิสูจนนั้นก็โกรธขัดใจได้เสวยทุกโทมนัสลูกสอแทงแล้วเพราะไปไปตั้งความหวังไว้ก่อนว่า เวลาเข้าไปในบ้านนะจะบ้านต้องทำอย่างยิ่งๆกับเราแล้วพอไม่ได้มันก็ขัดใจขัดกับไอ้ตัณหาแล้วเนะี่ยมันก็กลายเป็นโทสะได้เสวยทุกโทมานัทมีข้อนั้นเป็นเหตุนะข้อที่เราอ ย, อยากแล้วมันไม่ได้ภิกษุเช่นนี้ไม่ควรเพื่อจะเข้าไปสู่สกุ ล, ลไม่ควรนะเข้าไปในบ้านไปบินทบาตไม่ควรเลยส่วนภิกษุใดไม่คิดอย่างนั้น แม้เขาจะไม่ให้ก็ดีหรือให้โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเธอก็ไม่ขัดใจไม่เสวยทุกทรมนัทมีข้อนั้นเป็นเหตุคือเขาจะให้อย่างไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราภิกษุเช่นนี้ควรเป็นผู้เข้าไปสู่สกุลกัสปะก็เป็นเหมือนอย่างนั้นคือท่านเข้าไปแล้วก็ตั้งเจตนาไว้เลยว่าผู้ใดไข่ล า, าบก็ขอให้ได้ลาบนะเราได้ลาบอย่างไร มีใจอย่างไรผู้อื่นได้ราบแล้วก็มีใจอย่างนั้นคือนึกถึงภิกษุองค์อือ่นด้วยแล้วเขาจะให้ยังไงก็ไม่ไม่ได้เอาการที่เขาให้นมาเป็นเหตุโอ้โหเขาให้เราด้วยของดีของประเสริฐให้ด้วยความเคารพแล้วดีใจก็ไม่ทําไม่มีใจอย่างนั้นหรือก็ให้ด้วยของไม่ดีเลยก็ไม่โกรธไม่เสียใจอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ท่านได้มาโดยตรงเลยด้วยการฝึกทุดงเนี่ย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกย่องนะว่าเราสอนท่านทั้งหลายยกกัสปะขึ้นเป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายอันเราสั่งสอนแล้วพึงปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างนั้นเถิดอันนี้ก็เวลาจะสอนพระภิสูจเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างมาก็ต้องนำพระมหากัสปะนี่แหละมาเป็นตัวอย่างว่าท่านคิดอย่างไรเราก็ต้องคิดตามท่านนะท่านทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ต้อง ทำอย่างท่านพูดอย่างท่านนั่นจึงจะได้มันจึงจึงจะได้คุณธรรมอย่างนั้นเอาท่านเป็นผู้นำอ่ะเป็นตัวอย่างจริงๆเลยเหมือนก็เราดูดังแล้วก็แหมชอบใจพระเอกคนนี้ตัวแสดงคนนี้ก็จะทําตามกันนะนะนั่นมันก็เป็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนังแต่นี่เรื่องจริงของพระมหากัสจปะนะว่าท่านประพฤติอย่างนี้ ครั้งหนึ่งพระมหากัสปะเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาที่เวรุวันพระาศาสดาตัดแก่ท่านว่ากัสปะเดี๋ยวนี้ท่านแก่แล้วผ้าปานบังสุกุลจีวรที่เขาไม่นุ่งห่มของท่านนี้หนักนักขอท่านจงทรงจีวรที่ขาดอดีถวายเถิดคือท่านก็อายุมากใช่ไ้ยแล้วผ้าก็ใช้ก็เป็นผ้าที่เขาทิ้งอะ่ะผ้าทิ้งตาม ตบตามป่าช้ากองขยะตามป่า เ, เนี่ยก็เป็นผ้าที่ไม่ดีเป็นผ้าป่านไม่ใช่ผ้าเนื้อละเอียดก็ต้องแบกหนักผ้าหนักก็ว่ากันง่ายๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกจึงจึงกล่าวกับท่านว่าให้ใช้จีวรที่ข้าบอดีเขาถวายแล้วก็จงฉันอาหารในที่นิมนต์เถิดเมื่อเขามานิมนต์ก็ไป ไปฉันไม่ต้องไปเดินบินธบาติเพราะว่าแก่และจงอยู่ในที่ใกล้เราเถิดคือไม่ต้องไปอยู่ป่าอยู่ใกล้ใกล้พระพุทธเจ้านะมีกุติอยู่เช่นอยู่ที่เชตาวันหรืออยู่เวลุวันนะท่านพระมหากรสปะกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในป่าเที่ยวบินธบาตแล้วก็ทรงผ้าบังสุกุลจีวรใช้แต่ผ้าสามผืน สามผืนมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบเงียบสงดไม่ชอบรัคนด้วยหมู่ปรารบความเพียรและพูดสรรเสริญคุนเช่นนั้นมานานแล้วนะตังกระบวดนะว่ากันง่นายง่ายภาษาสดาจัดถามว่ากัสปะท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤติตนเช่นนั้นและสรรเสริญความประพฤติเช่นนั้น ท่านพระมหากัสปะกราบทูลว่าข้าพเจ้าเห็นอำนาจประโยชน์สองอย่างคือการอยู่เป็นสุขในบัดนี้ของตนเองหนึ่งเราก็อยู่เป็นสุขนะก็น่าเป็นสุขจริงๆนะเพราะว่าอยู่ปาเที่ยวบินทบทัตเงียบส ง, งดนะสันโดษไม่ละคนด้วยบูเนี่ยปลาลบความเพียรเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องหน้าทุกข์อะไรนี่อยู่ได้ความสุขในปัจจุบันเห็นได้อยู่เลยข้อที่สอง เพื่ออนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลังด้วยประชุมชนในภายหลังทราบว่าสาวกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ประพฤติตนอย่างนั้นท่านประพฤติตนอย่างนี้ก็จักถึงทิฏฐานุค ต, นะตินะคติเนี่ยที่ตั้งทิฏฐาเนี่ยตามเห็นตั้งตั้งไว้ให้ตามเห็นเป็นตัวอย่างกันเอง ว่าโอ้ท่านพระมหากัสป่าประพฤติอย่างนี้ก็จะปฏิบัติตามที่ตนได้เห็นได้ยินความปฏิบัตินั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และสุขแก่เขาสิ้นกาลนานอันนี้นะคือคือคล้ายควาศรัทธาไม่ใช่คล้ายศรัทธาว่าโอ้พระมหากัสป่าประพฤติอย่างนี้อย่างนี้มาตั้งเต็มบวชจนปรินิพานได้รับความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นและพระเจ้าทรงสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนั้นเราอยากมีความสุขอย่างนั้น ก็พึงทำตามก็จะได้ประโยชน์สุขไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติตามพระหมหากรสป ะ, ะเพื่อที่เราจะได้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเกียรติคุณได้รับลา บ, บสักการะจากคนทั้งหลายก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นความกรุณาต่อคนรุ่นหลังของพระหมหากรสปะพระศาสดาประธานสาธุการนะ สรรเสริญอนุโมทนาวาสาทุสาธุดีแล้วดีแล้วกัสปะท่านประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์และสุขแก่ชนเป็นอันมากท่านจงทรงผ้าบังสุกุลอาจีวรของท่านเถิดท่านจงเที่ยวปฏิบัติเถิดท่านจงอยู่ในป่าเถิดถึงแม้จะแก่แล้วก็อยู่ต่อไปเพราะว่าท่านให้เหตุผลแล้วนี่ว่าเพื่อความสุขของท่านและเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังจะได้ประพฤติตามผู้เรเจ้า มาขอร้องให้ท่านเลิกท่านท่านก็ให้เหตุผลอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสาหุแล้วก็บอกให้อยู่ตามไปด้วยความมักน้อยสันโดษและปฏิบัติเคร่งครัดอย่างนี้พระมหากัสปะย่อมเป็นที่นับถือของสกุลทั้งหลายคือของชาวบ้านทั้งหลายมีคำกล่าวว่าในกรุงราชคฤห์สกุลที่ไม่ใช่ญาติคือท่านก็มีญาติเยอะนะ ต่กูลที่เป็นญาติเพราะว่าท่านเป็นพราหมที่มหาสารมีทรัพย์มหาศารสกุลที่ไม่ใช่ญาติก็คงเป็นอุปถากของท่า น, นอุปถากก็คือผู้ทำรูบารุงท่านนะนะแต่ท่านก็ไม่ได้พัวพันห่วงใยอยู่ในสกุลเหล่านั้นถึงคราวที่พระาศาสดาจะเสด็จจาริกไปโปรดสัตว์ท่านก็เตรียมตัวตามเสด็จโดยฐานเป็นสาวกแต่พระาศาสดาตัดให้อยู่ เพื่อเจริญศรัทธาภาษาทรของชาวกลุ่มราชครึ่ก็มีท่านได้แสดงคําสอนของท่านไว้นะในกัสสปะสังยุตในกัสสปะสังยุตเนี่ยคือรวบรวมเรื่องของพระมหากัสสปะไว้ซึ่งก็เราก็ควรจะได้นํามาศึกษาต่อไปนะในในในช่วงต่อไปแต่ในช่วงนี้ก็ยังมีเรื่อง ของพระหมหากาสปะที่น่าสนใจอีกนะก็คือชีวประวัติในอดีตชาติของท่านคือที่ท่านมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะได้มาเองเพีย ง, เ พ, ยงเพียงเกิดมาแล้วก็ได้ต้องมีการสะสมคุณความดีมามากมายมากมายจริงๆด้วยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าชีวประวัติในอดีตชาติของท่านเนี่ยที่สแสดงไว้เนี่ย ก็ได้เห็นเลยว่าท่านได้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และยาวนานมาไม่ได้ทำกันในชาติเดียวเลยทำกันมานับชาติกันไม่ได้เราทั้งหลายก็จะต้องอาศัยตัวอย่างของท่านนี่แหละว่าถ้าเราประสงค์จะมี เกียติคุณเช่นท่านเนี่ยก็ต้องสะสมคุณธรรมเอาไว้ในชาตินี้เนี่ยมันน้อยนะไม่ถึงแปดสิปีเนี่ยเราก็จะต้องตายตายไปแล้วและอเวลาที่จะทำความดีเนี่ยเป็นคุณธรรมจริงๆของเราเนี่ยมันคงไม่ไม่มากอะ่ะไม่น่าจะถึงห0สิปีนะไม่น่าจะถึงด้วยซ้ำเพราะว่าในวัยเด็กเราก็ปล่อยชีวิตไปด้วยความประมาทอะไรไปจะมากมาย0ี่สปี กว่าจะมาคิดจะสะสมบุญกุศลเพื่อจะตัดจารุเพื่อจะเป็นพระอาหารหันเนี่ยก็ไม่ใจว่าจะมากมายอะไรก็จะตายไปแล้วชีวิตก็สั้นน้อยเหลือเกินแต่ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะสั้นเนี่ยแต่ถ้าเราอาศัยความเชื่อความศรัทธาว่าบุญที่เราทำเนี่ยมั น, ม, นมันมีผลแม้เล็กแม้น้อยติดตามเราไป ให้ผลใหญ่ได้นะให้มีการสะสมบุญใหญ่ๆอย่างอื่นต่อไปได้แล้วก็จะสําเร็จประโยชน์สูงสุดได้เราก็ต้องทําเราต้องช่วยตัวเองไม่มีใครรที่จะมาช่วยเราทําบุญเพิ่มให้เราแทนเรามันไม่มีนะครับทีวประวัติในอดีตชาติของพระมหากาัสปะเถระที่ได้แสดงถึงการสร้างความดีที่เป็นมูลเหตุให้สําเร็จเป็นพระรหรันและได้รับยกย่องให้เป็นผู้เลิศ ในการถือธุดงและสารเสริญธุดงนั้นก็มีปรากฏอยู่ในอัถกถาแห่งคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตและคำพีอัาทานพร้อมทั้งเถระคาถามีอยู่มากทีเดียวได้กล่าวไว้ว่าในแสนกัปที่ผ่านมาแล้วครั้งพุทธสมัยของพระปุทธปัทุมุตตะบรมศ า, ศาสดา พระมหากัสปะเทระเกิดในตระกูลกุดุมพีที่มีสมบัติ80โกรสมบัติท่านไม่ใช่มี80โกรเฉพาะชาตินี้มีมาก่อนก็มีแล้วนะโดยบุญก่อนๆนั่นแหละอยู่ในเมืองหงษ์สวัสดีมีชื่อว่าเวเทหะเช้าวันหนึ่งเวเทหะกุดุมพีนั้นบริโภคอาหารแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานองคุโบสดรักษาโโบสถแล้วนะ เราชาตินี้มีบ้างไหมเนี่ยอุโบสถเนี่ยอุโบสถแปดประการเป็นเครื่องอยู่ของพระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องอธิษฐานอกีกเหมือนกันแล้วถือเอาเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นออกไปยังพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าปทุมุตระนัเขมิเคมะมิขะไทยมีดอกไม้ถูบเทียนเป็นต้นออ ออกไปยังพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าปทุมุตรนะณเขมิเขมะมิข่าวถวายบังคมแล้วก็เลือกที่นั่งอันเหมาะสมแก่ฐานะของตนในขณะนั้นสมเด็จพระประทุมุตตระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระมหานิสภะผู้เป็นพระมหาเทระให้เป็นพระสาวกองค์ที่สามองค์ที่หนึ่งก็เลิศทางปัญญาพุทธเจ้ายกย่องปัญญาใช่ไหม ย่อกย่องปัญญาวันเลิศสุดคือจริงๆปัญญาเนี่ยเขาก็เลิศสุดเพราะบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่บริสุทธิ์ได้ด้วยสิ่งอื่นนะปัญญาเนี่ยจะต้องเข้าไปเห็นแจมแจ้งในทุกขสัจจะของสภาวะธรรมที่เป็นทุกข์และปัญญาจะเป็นตัวตัดตัณหาได้ไอ้ตัณหาเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์มันเห็นแต่สุขแต่ปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญา สูงกว่าคนอื่นเช่นภ า, า, าษาริบุตรก็ยกย่องเป็นองค์ที่หนึ่งแล้วผู้ใดแสดงฤทธิ์ได้ฤทธิ์นี่เกี่ยวกับสมาธิขยกย่องสมาธิเป็นองค์ที่สองคือพระโมคคัลลานะเป็นต้นคือมีมีหลายองค์ที่เลิ่ด้วยฤทธิ์เนี่ยนะในพุทธเจ้าหลายหลายองค์ทีนี้องค์ที่สามมันก็ต้องเอาทุดงเอาทุดงคุณเนี่ยความตันโดดมักน้อยเนี่ยมาเป็นมาเป็นคุณธรรมที่ที่พระพุทธเจ้า ทรงสารเสวนะ่ะคืออโลภะตัวอะโลภะตัวอะโทสักนะคนมีธุดงคเนี่ยต้องมีสองตัวเนี้ยว่าเป็นผู้เลิศนะคือยกย่องพระมหาดิส פה ให้เป็นพระสาวกที่สามผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหมดผู้ทรงทุดงด้วยพุทธรัมดัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาดิส פ นี้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตาถาคตด้านทรงทุดง คือธุดงเนี่ยก็ประพฤติกันหลายหลายหมืน่นหลายแสนรูปในสมัยผู้เดียเจ้าของเราเนี่ยก็อาจจะมีพระพิสุประพฤติอยู่สักหมืน่นรูปธุดงนะทุดงทั้งสิบสามเลยแต่ว่าที่เลิศที่สุดเน่ยคือพระมหากัสตะอทุดงคุณที่เลิศที่สุดสมัยนี้ไม่รู้มีทั้งเท่าไหร่นะที่แบบพืชธุดงจริงๆริงะที่แบบพืชธุดงจริงจนะไม่ใช่ทุดงแกล้งกันนะแกล้งหลอกให้เขามัน นับถือเรายกย่องเราอย่างนั้นไม่เอานะ <Okay. S 1> ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีหายาก <Okay. S 1> เพราะว่า <Okay. S 1> การที่จะมาพึ่งธุดงต้องมาศึกษาเรื่องธุดงซะก่อน <Okay. S 1> แล้วก็ตรวจดูคุณสมบัติของเราว่ามีจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> ไม่ใช่อยู่ดีดๆก็เอาละผมทุดงเลยเอทุดงอะไรบ้างฮะผมเดินแบกกรดไปเรื่อยๆที่ไหนก็นอนนั่นนะไม่ใช่ทุดงนะ คุณต้องไปศึกษาทำไมทุดง13ข้อเนี่ยเป็นอย่างไรนะไปแบกกรดแล้วก็ไปใบไว้ดูหมอขายเครื่องรางของขังไม่ใช่ทุดงนะแต่ชาบ้านเราชอบอย่างนั้นบอกพระพระลุกขมูลมาแล้วนะต้องไปทำบุญกันหน่อยเดี๋ยวจะได้ของดีมาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของทุดงครและผู้โยเจ้าไม่ยกย่อ ง, องแบบนั้นนะ เวเทหกุดุมพีได้ฟังพุทธธรรมดรัมหดนี้แล้วก็เกิดมีความเลื่อมใสโอ้พระเจ้ายกย่องนะบุคคลที่พระเจ้ายกย่องเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราก็อยากเป็นอย่างนั้นสมัยนี้ก็มีการให้รางวัลกันเยอะใช่ไหมเราก็ไม่รู้เราเลื่อมใสบ้างหรือเปล่าไม่รู้รางวัลอะไรกันมากมายสมัยนี้ตั้งกันขึ้นมาบางอย่างมันก็น่าสมควรบางอย่างก็ไม่สมควร แ, แม่ดีเด่นลูกดีเด่น พอดีเด่นอะไรก็เอ า, เอาให้มันเด่นจริงๆนะดีเด่นจริงๆก็ยังพอสมควรนะ <c oughs> ก็สิ่งที่พระเจ้าแต่งตั้งเนี่ยมีอยู่จริงคือคุณสมคุณธรรมนั้นมีอยู่จริงเลิศจริงๆสูงสุดจริงๆท่านจึงได้ยกย่องไม่ใช่แต่งตั้งอาโดยการไม่มีอยู่หลอกลวงกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นกระดุมพีผู้นี้ก็เลื่อมใสและพอใจที่จะได้ตำแหน่งนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงแล้วมหาชนพากันลุกกลับไปท่านจึงเข้าไปกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระพุ้อภาคเจ้าพรุ่งนี้เช้าขอพระองค์กับภิกษุสงฆ์จงทรงรับภิกษาาหรที่บ้านของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาตัดว่าดูก่อนกุฎุมพีภิกษุสง์มีอยู่มากเธอจะนิมนต์ทั้งหมดหรือพระศาสดาตัดถามหวังจะทราบความประสงค์ของเวเทหะกุฎุมพี เขาถามว่าภิกษุสงฆ์มีอยู่เท่าไหร่พระเจ้าค่ามีอยู่6 00 8, ล้านแแสนรูปนะกูดุมพีนะ6 00 8, ล้านแแสนรูปคือสมัยนั้นก็เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ า, าทรงบาเพ็ญบา ร, รมีมามากอายุยืนแล้วก็ผู้มาฟังธรรมก็มีบา ร, รมีก็ออกบวยกันมากมายถ้าแต่พระมิภาคเจ้าขอนิมนทั้งหมด แม้แต่สามนเณรทุกรูปก็ขอนิมนตไปด้วยเพียงรูปเดียวก็อย่าได้เหลือไว้ที่วัดเลยไปเจ้าค่านีมนหมดเลยหกล้านแปดแสนเขาเขามีทรัพย์มากไม่กลัวหรอกสมัยนี้ผู้ที่มีเงินมากๆนะเอากี่หมื่นล้าน น, ะนิมนพระเก้าองค์แล้วก็ไม่ได้ไปบ้านตัวเองด้วยบางทีไปเปิดตำนักงานพอแล้วนิมนพระไปเก้าองค์ก็พอแล้ว แม่ไม่คุ้มกับที่มีไอ้หมื่นหมื่นล้านเลยนะคุณมีอยู่หมื่นล้านนะ่ะมันเป็นวิบากของคุณนะเป็นเป็นกรรมดีของคุณนะแล้วคุณไม่เอาไอ้วิบากทําให้เป็นเป็นบุญขึ้นมาอีกแล้วคุณก็เสียค่างโงล่ละทีนี้คุณตายปุ๊บไปอ่ะไอ้แปดหมื่นล้านของคุณเนี่ยพวกมาถลุงกันแป๊บเดียวละอาทายาดของคุณทั้งหลา ย, ยดีไม่ดีฟ้องแตกแยกกันครอบครัวกันอีกก็มีอยู่ เพราะฉะนั้นรวยนี่รวยไม่จริงทั้งนี้ยังไม่เห็นใครรวยจริงเห็นมีแต่คนจนทั้งนั้นนะคืออยากจะได้กันทั้งนั้นนะฉันยังไม่พ อ, อยังเสียสละไม่ได้นะคนรวยจริงๆเนี่ยเขาเออพอแล้วเราเสียสละดีกว่าะเสียสละกันจริงๆด้วยนะไม่ใช่เสียสละแบบต้องการชื่อเสียงหรือต้องการจะมาเป็นนายกต่ออะไรเงี้ไม่เอาไม่เอาพวกนี้หลอกลวงกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเวเทหกุดุมพีกราบทูลดังนี้พอทราบว่าพระศาสดาทรงรับแล้วก็ถวายบังคมลากลับไปบ้านรีบจัดแจงมหาทานและให้คนช่วยตกแต่งสถานที่ไว้ต้อนรับอย่างขมีขมันรุ่งเช้าใช้ให้คนไปกราบทูลพระปัตตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบถึงเวลาเสวยพระกยาหารพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่บ้านของเวเทหกุดุมพี กูดุมพีก็นําพัฒฐารพร้อมทั้งน้ําน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาและนั่งอยู่ในที่ใกล้กับพระศาสดาที่เสวยพัฒฐารเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้ากําลังเสวยพัฒฐาหารพระมหานิสพะเถระก็เดินบินธบัติไม่ได้มาด้วยนะผ่านมาทางบ้านของเวเทหกุดุมพีก็ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าท่านถือธุดง่ะเวเทหกุดุมพีจึงรีบลุกขึ้นไปขอรับบ่าย